นี่มาขึ้นวาระต่อไปว่าด้วยสลายตนะวาระนะพระภิกษุเหล่านั้นก็พากันชื่นชมอนุโมทนายินดีภาษิตของท่านพระสารีบุตรแล้วว่าส า, าทุใต้เท้าวัานั้นอย่างนี้ก็กราบเรียนถามปัญหาสูงยิ่งขึ้นไปกับท่านพระสารีบุตรว่าใต้เท้าครับยังมีอีกหรือไม่ปริยาอย่างอื่นที่เป็นเหตุให้อริยาสาวกมีความเห็นถูกต้อง มีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสไม่คลอนแคลนมาสู่พระศัทธธรรมนี้ภาษาเรีบด้วก็ตอบว่ายังมีอยู่คุณแล้วก็กล่าวอธิบายต่อไปว่าด้วยเหตุที่อริยาสาวกรู้ชัดอายตนะทั้งหกสลายตนะเนี่ยนะเหตุเกิดของสลายตนะความดับสลายตนะข้อปฏิบัติให้ถึงความดับ สลายยตนะด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลคุณอริยาสาวกชื่อว่าเป็นผู้มีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมะไม่คลอนแคลนมาสู่พระสัตธรรมนี้ถามว่าอายตนะทั้ง6คืออะไรเหตุเกิดของอายตนา6คืออะไรความดับอายตนะทั้งหคืออะไรข้อปฏิบัติให้ถึงความดับอายตนะทั้ง6เนี่ยคืออะไร ตอบว่าอายตนะทั้ง6คือตาอายตนะคือตาบ่อคือตาบ่อคือหูอายตนะแปลว่าบ่อบ่อคือตาบ่อคือหูบ่อคือจมูกบ่อคือลิ้นบ่อคือกายแล้วก็บ่อคือใจแดนเกิดคือตาอายตนะแปลว่าแดนเกิดก็ได้แดนเกิดเหตุเกิดที่ประชุมก็ได้ที่ประชุมคือตาที่ประชุมคือหูที่ประชุมคือจมูกที่ประชุมคือลิ้นที่ประชุมคือกายที่ประชุมคือใจเนี่ยนะจะเรียกบ่อเกิดก็ได้ถ้าใครแบบชอบตักน้ําซึมบ่อทรายเนี่ยนะ คนนี้ก็จะใช้บ่อถ้าพวกนักประชุมทั้งหลายก็ใช้ว่าที่ประชุมคือตาก็แล้วแต่ถนัดแต่ว่าประชุมเมื่อไห ร, ร่เรวร้ายทุกทีน้อยนักที่ประชุมทําดีๆกิจอริยศักด์ประชุมแล้วทํากิจอริยศัก์น้อยมากเลยนะแทบชีวิตทั้งชีวิตไม่เคยทําเลยนะนั่นแหละก็แสดงว่ามีแต่ประชุมที่ไม่ได้ไม่ใช่กิจ่ะนะ อายตนะทั้งหนี้เกิดเพราะอะไรเกิดบอกว่าเพราะนามรูปเกิดสลายตนะจึงเกิดเพราะนามรูปดับสลายตนะจึงดับอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ดนี้เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับสลายตนะคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิคุณเมื่อใดแลอริยสาวกรู้ชาติอายตนะทั้งหอย่างนี้เหตุเกิด แห่งอายตนะทั้ง6ความดับอายตนะทั้ง6ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งอายตนะทั้ง6อย่างนี้เมื่อนั้นเธอจะละราคานุสัยบรรเทาปฏิคานุสัยถอนทิฏฐิและมานะว่าเรามีอยู่ออกได้และอวิชชาได้โดยประการทั้งปวงอย่างวิชาให้เกิดแล้วเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุก์ในปัจจุบันทีเดียว ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลคุณอริยาสาวกชื่อว่ามีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมะไม่คลอนแคลน ม, มาสู่พระสัทธรรมนี้ดังนี้เนี่ยนะสลายตนะเนี่ยนะสลายตนะท่านบอกว่าอธิบายไว้แล้วในขันธกะนิเทศกับอายตนะนิเทศเกี่ยวกับคำว่าตาคืออะไรจักขุคือจักคติเนี่ยนะอ ย, อยากเห็นเป็นต้นนะนะอธิบายแล้วในอายตนะนิเทศกับใน ขันธกะคือรูปประขันนิเทศัทำพีวิสุทธิมรักอันนี้นเกี่ยวกับบอ่อเกิดคือตาบอ่อคือหูบอ่อคือจมูกใ น, นที่ประชุมคือตาหูจมูกลิ้นกายใจแดนเกิดคือตาหูจมูกลิ้นกายใจคือแดนเกิดแห่งพัสสะเรียกว่าสลายยตนะสลายยตนะเกิดเหล่านี้เพราะอะไรเกิดเพราะนามรูปเกิดอายตนะจนเกิดเช่นถ้าไม่มีมหาภูตรูปแล ะ, ะถ้าไม่มีมหาภูตรูปที่เกิดจากกรรมจะมีตามไหม ถ้าไม่มีมหาภูตรูปที่เกิดจากกรรมเนี่ยนะจะมีหูไหมไม่มีถ้าไม่มีมหาภูตรูปที่เกิดจากกรรมจะมีจมูกไหมบอกไม่มี oney, ถ้าไม่มี s critique, <S มหาภูตรูปที่เกิดจากกรรมจะมีลิ Newman, ้นไหมไม่มีถ้าไม่มีมหาภูตรูปที่เกิดจากกรรมจะมีกายยปสาธาไหมไม่มีเพราะฉะนั้นตาหูจมูกลิ้นกายเกิดจากมหาภูตรูปที่เกิดจากกรรมคือกรรมกรรมและตัณหาเนี่ยนะ ตันหาเหมือนแม่กรรมเหมือนพ่อทําให้สร้างลูกขึ้นมาคือมหาภูตา ร, รูปมหาภูต ร, รูปนี่แหละเป็นตัวจัดแจงจักขุนั่นนะอวิชากับตันหาเป็นเหมือนกับพ่อแม่ทําให้มีมหาภูตรูปมหาภูตรูปนี่แหละทาให้มีโอหอวิชากับตันหากับกรรมเป็นเหมือนกับพ่อแม่ที่ทําให้มีมหาภูต ร, รูปมหาภูต ร, รูปเป็นเหตุให้มีจมูกนั่นนะเพราะฉะนั้นตาหูจมูกลิ้นกายจึงเกิดจากมหาภูต ร, รูป เพราะมีมหาภูตรูปเป็นสหาชาตปัจจัยจึงทำให้ตาหูจมูกลิ้นกายนี้เกิดขึ้นชีวิตเป็นชีวิตชีวิตรักษาเนี่ยนะชีวิตรักษาโอชาหล่อเลี้ยงโชาหล่อเลี้ยงนะมหาภูตรูปสี่เป็นแดนเกิดของตาหูจมูกลิ้นกายิชีวิตติณสชตตีชีวิตติณสีเป็นตัวรักษาอาหารเป็นตัวหล่อเลี้ยงเนี่ยนะ กายเหล่านี้ตาหูจมูกลิ้นกายเหล่านี้ก็เป็นไปได้เพราะรูปเกิดตาหูจมูกลิ้นกายจึงเกิดทีนี้ถามว่านามเกิดนามเกิดนามคือปัจฉาชาต่ปัจจัยเป็นตัวที่ทำให้เกิดเนี่ยนะปัจฉาชาเช่นตั้งกัจกคูวิญญาณสัมปติชนะที่ที่เกิดครั้ง้าง ห, งหลังก็เป็นปัใจจัยให้ตาตาเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ได้จมูกลิ้นกายเป็นต้นยังมีชีวิตอยู่ได้โดยปัจฉาชาตปัจจัย นะรายละเอียดว่าถ้ามีบุญก็ได้เรียนต่อไปข้างหน้าในอนาคตการไม่ใช่วันนี้ก็แล้วกันทีนี้ท่านนามละมโนมโนเพราะนามรูปเกิดมโนจึงเกิดเป็นอย่างไรก็เพราะว่าสัมปยุตต ป, ปัตจจัยคือภาษะเจตสิกทั้งหลายนี่แหละถ้าไม่มีจิตถ้าไม่มีเจตสิกจิตเกิดได้ไหมจิตมันก็ไม่แน่หรอกมันก็ต้องอาศัยเจตสิกก็เหมือนที่เขาบอกว่า ข้าคือพระราชาบอกข้าพระองค์ทั้งหลายคืออมตะอมตะเขาบอกว่าถ้าข้าไม่มีนะจะแต่งตั้งพวกเองขึ้นได้ไหมบอกไม่ได้เอางี้ถ้าไม่มีข้าพระองค์พระองค์เป็นพระราชาได้ไหมไม่ได้จิตก็เหมือนกันจิตกับเจตสิกมันก็ใกล้ๆกันนั่นแหละมันอาศัยซึ่งกันและกันอยู่แถวนั้นนะนะมันคำจุนซึ่งกันและกันดูแลซึ่งกันและกันคอยปกปักรักษาซึ่งกันและกันช่วยเหลือแต่ว่านามจิตวิญญาณเนี่ยเป็นปัจจัยจึงมีนามคือเจตสิก ไอเจตสิกทั้งหลายมันก็เกิดมันเป็นปัจจัยจึงมีมีจิตมีจิตอันนะั้เราะแพสเจตสิกเป็นปัจจัยกัจิตขณะเดียวกันเนี่ยนะอายตนะคือมานายตนะเนี่ยเกิดจากนามรูปคือตาเกิดจากรูปคือตาเกิดจากนามคือเจตสิกที่ประกอบนนก็จริงในแง่นิยะตรงนี้นะใครท่องอะไรนะ สายตระเป็นปัจจัยจึงมีภาษะส่วนนามรูปคือทั้งภูตรูปและอุปาทายรูปแล้วก็นามคือเจตสิกทั้งหลายนั้นเป็นปัจจัยจึงมีสลายตระนัทั้งหลายเหล่านี้ถามว่าถ้าไม่มหาภูตรูปอย่างเดียวเลยวนะกำจัดมหาภูตรูปสิ้นเชิงเลยจะมีตาไหมไม่มีถ้ามหาภูตารูปเนี่ยนะเลิกหลอกหลอนสักทีนึ่งแล้วจะมีหูไหม ไม่มีไม่มีจมูกไม่มีลิ้นไม่มีกายเนี่ยนะดับตาหูจมูกลิ้นกายหมดถ้าดับมหาหูตรูปหมนที่อื่นๆก็จะมีว่ามหาพูตรูปเหตุเกิดมหาพูตรูปอัศส า, ธ า, ธามหาพูตรูปอาทีนววะมหาพูตุรูปนิสรณะมหาพูตรูปถ้ารู้จริงสิ่งนี้กระดับทุกได้นะถ้านั้นก็เป็นสัมมาทิฏฐิเหมือนกันแต่ตรงนี้เน้นเน้นอะไรมหาหูตรภูมปเป็นปัจจัยจึงมี ภาษาทรูปคือสลายยตนะทั้ง5ส่วนนามทั้งหลายก็เป็นปัจจัยแก่ ม, มานายยตนะถ้านามรูปดับอายตนะก็ดับกบอกว่าวิ ญ, ญา น, นามญญา น, นามดับที่ไหนเขาบอกว่าดับเพราะเพราะจิตดับเป็นต้นเนี่ยนะาในอชิตา ม, มานะวากบปัญหานิเทศก็มีรายละเอียดที่น่าสนใจ ว่าวิธีดับนามรูปนี้ดับยังไงดับด้วยอะไรดับด้วยโซดาปฏิมักเป็นต้นนั่นเองโสดาปฏิมัคเนี่ยนะเป็นตัวที่ดับสลายตนะอย่างเช่นโสดาปฏิมัคเนี่ยดับสลายตนะอายตนะทั้ง6ที่เกิดในอบายได้เด็ดขาดเนี่ยนะโซดาปฏิมักํ า, นะ า, นะากกจัดสลายตนะที่เกิดในภพที่8เป็นต้นได้อย่างเด็ดขาดสกาธาคามีมักเนี่ยกำจัดในภพในการมาภพชาติที่2เป็นต้นได้อย่าง เด็ดขาดเนี่ยอนาคามีมัต ก, ก็กําจัดสลายตนะในการมมาพบได้อย่างเด็ดขาดอรหัตตมัต ก, ก็ดับสลายตนะในภูมิ3อย่างเด็ดขาดเนี่ยนะพันอารยมัตทั้งหลายจึงเป็นข้อปฏิบัติเพื่อดับสลายตนะอย่างแท้จริงถ้าเห็นโทษของการมีตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ต้องเจริญอารยมัตเนี่ยนะเขบอกอ้าวถ้าไม่เห็นโทษอ่ะมันดีอ่ะตาก็ยังใช้ได้หูก็ยังเพราะยังดีอยู่รากสุขภาพก็ยังแข็งแรงเป็นต้นทํายังไงบอก อยากแก้รักษามันต่อไปให้อยู่ในวัตฏะยาวๆบอกไม่ต้องทําอะไรเราก็ทําอย่างทุกวันนั่นแหละแต่ก็เพลินที่สุดเท่าที่จะทําได้ฮะแต่สิ่งที่น่าเพลิดเพลินดูแต่สิ่งที่น่าเพลิดเพลิ น, ลนฟังแต่สิ่งที่น่าเพลิดเพลินอยู่อย่างนี้ก็มันก็มันต่อห้องมันเองโดยธรรมชาติโดยปกติวิสัยว่านั้นแต่ถ้าต้องการอย่างนั้นก็ไม่รู้มานั่งทนปวดเมื่อยเรียนทำยก็ไม่รู้นะมาฟังมันกระชากแบบนั้น